สร้างพลังเหนือพลังการสร้างพลังตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นอุบายวิธีสร้างสมรรถภาพทางจิตของตนเองให้มีพลังเหนือพลังที่ว่าจิตของเรามีพลังเหนือพลังหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงบรรลุถึงพระนิพพานสาเร็จเป็นพระอรหรันต สภาพจิตของพระอระหันต์เป็นสภาพจิต ท, ที่มีพลังเหนือพลังที่เรียกว่าเหนือพลังก็เพราะเหตุว่าไม่มีพลังแห่งท่าสี่ดินน้ำลมไฟใดๆสามารถที่จะดึงดูดจิตของพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ให้มาตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นๆได้จึงได้ชื่อว่าจิตของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เป็นพลังเหนือพลัง เพราะฉะนั้นอุบายวิธีปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราศึกษาและปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้พระองค์สอนให้เราสร้างจิตของเราเองให้มีพลังพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนกระทั่งจิตของเรามีสภาวะสะอาดบริสุทธิ์ปราศรจากกิเลสอสวะทั้งปวงและจิตของเราจะกลายเป็นจิตที่มีพลังเหนือพลัง